การปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนามีแบ่งไว้เป็นสองระดับได้กันคือระดับที่หนึ่งเรียกว่าโลกิยะธรรมระดับที่สองเรียกว่าโลกุตตรธรรมนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันอยู่ มีสองระดับด้วยกันเหมือนกับระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาระดับโลกิยธรรมนี้แปลว่าธรรมที่ยังข้องติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดส่วนโล ก, กุตระธรรมนี้ หมายถึงธรรมที่อยู่เนื้อโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือ ร, รมสองระดับการปฏิบัติก็ต้องไต่เต้าจากระดับโลกียธรรมขึ้นสู่โล ก, กุตตรธรรมเหมือนกับการศึกษาทางโลกก็ต้องจบมัธยมก่อน ถึงจะขึ้นสู่ระดับอุดมศึกษาได้และก่อนที่จะจบระดับมัธยมก็ต้องผ่านระดับปถมระดับอนุบาลไปก่อนถึงจะสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาต่อไปการปฏิบัติโลกิยธรรมก็ มีแบ่งเป็นขั้นขั้นขั้นอนุบาลขั้นปฐมขั้นมัธยมแล้วพอได้ขั้นมัธยมแล้วก็สามารถก้าวเข้าสู่โล ก, กุตละธรรมต่อไปได้การจะปฏิบัติโล ก, กุตละธรรมได้นี้ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็น ที่ศึกษาที่ปฏิบัติถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้ชาวโลกจะปฏิบัติธรรมได้เพียงในระดับโลกียธรรมคือปฏิบัติได้ธรรมที่ยังทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่โลกียธรรมก็คือทำตั้งแต่ระดับของมนุษย์ มนุษย์ของเทวดาของพรหมนี่คือระดับของโลกีะระดับของไตรภพยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพนี้อยู่ถ้าปฏิบัติเพียงระดับโลกีะธรรมแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนระดับโลกุตระธรรม ถึงแม้จะมีความอยากที่จะปฏิบัติในระดับโล ก, กุตระธรรมก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะไม่รู้วิธีปฏิบัติระดับโล ก, กุตระธรรมว่าปฏิบัติอย่างไรนั้นเองเหมือนสมัยก่อนประเทศไทยเรามีการสอนในระดับ มัธยมขั้นสูงสุดคือขั้นระดับมัธยมใครจบระดับมัธยมไม่อยากจะเรียนขั้นอุดมศึกษาก็ต้องไปเรียนที่เมือง น, นอกแต่ต่อมาเราก็มีการสร้างมหาวิทยาลัยต่างๆขึ้นมาสอนระดับอุดมศึกษาก็เลยมีการสาเร็จ ปริญญาขั้นต่างๆมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยเพราะมีมหาวิทยาลัยที่สั่งสอนระดับปริญญาต่างๆนี่เองจึงไม่จาเป็นจะต้องไปศึกษาต่างประเทศเพื่อให้ได้รับปริญญาโลกในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีมหาวิชาไัยหรือความรู้ระดับโลกุตลธรรมมาเผยแผ่สั่งสอนผู้ปฏิบัติก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุถึงธรรมขั้นโลกุตลธรรมได้จะต้องรอให้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาคือมีพระพุทธเจ้า ทรงตัดสั้โลกุตรธรรมแล้วนำเอาโลกุตรธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากโูกของการเวียนว่ายตายเกิดคือหลุดออกจากไปรภพกามภพรูปภพและอรูปภค ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก่อนมาพบโลกุตลธรรมพอพบแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนพอสั่งสอนผู้ที่สนใจนำอาไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุโลกุตลธรรมขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากคือพระ อ, อริยสงสาวก ในระดับต่างๆโล ก, กุตละธรรมนี่ก็เป็นเหมือนปริญญามีหลายระดับทางโลกทางปริญญาก็มีสามระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทางโล ก, กุตละธรรมมันก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับโสดาบันระดับสกิดาคามีระดับอนาคามี และระดับอรหันต์การได้บรรลุถึงธรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้บรรลุได้ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับคือขั้นที่หนึ่งคือขั้นของพระโสดาบันนี้ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ แต่ไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากเนะี่ยกาที่สองนี่พระสกิดาคามีก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในกามะพบนะ่ยคือพบของผู้ที่เสพกามพระโสดาบันกับพระสกิดาคามียังต้องกลับมาเกิดในกามะพบคือพบของมนุษย์และพบของเทวดา แต่จะไม่ไปเกิดในภพของอบายภพของเดระชานของเปรตของอสุรกายและของนรกนะผู้ที่เป็นพระอริยบุคคล น, นี้ปิดประตูอบายได้รู้ทางไปอบายรู้ทางไปสวรรค์ก็จะเลือกไปทางสวรรค์ไม่ไปทางอบายหรือไปทางของมนุษย์นะ ถ้าได้ขั้นที่สามระดับของพระอนาคามีก็จะหลุดออกจากกามภพแต่ยังจะไปติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพภยแต่พอได้ขั้นที่สี่ได้ขั้นของพระอารหันต์ก็จะหลุดออกจากรูปภพและอรูปภพไม่กลับมาเกิดในไตรภพอีกต่อไป ไม่กลับมาเกิดในการมาพบรูปภพหรืออรูปภพจะอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือธรรมระดับโล ก, กุตตราธรรมจะศึกษาและปฏิบัติได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาเป็นผู้สั่งผู้สอนเท่านั้น เพราะนอกจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วจะไม่มีใครรู้เรื่องของโลกุตรธรรมจึงต้องมีพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะเรียนในระดับของโลกุตรธรรมอยากจะปฏิบัติในระดับของโลกุตรธรรมเพื่อการออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิด โลกของสังสารวัฏโลกของไต่พบเนี่ยต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ใดมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะถือว่าเป็นผู้มีโชควาสนามากยิ่งกว่าผู้ที่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งนี้ยังง่าย กว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์ตามลาพังก็ยากพอสมควรแล้วแล้วมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกหลายแสนเท่าเพราะการเกิดของพระพุทธศาสนานี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่จะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย นานๆแสนหลายแสนล้านปีจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรุ่นในโลกของมนุษย์นี้สักครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ไปอายุก็ไม่นานของแต่ละองค์เช่นของพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็อยู่ได้แปดสิบปีแต่พระองค์ได้ทรงสร้างตัวแทนขึ้นมา คือพระธรรมคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระคมพีพระไตรปิฎกและพระอริยสงสาวกผู้ที่จะมาทำหน้าที่สั่งสอนโรกุตราธรรมให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็พยากรณ์ไว้ว่า อยู่ได้ไม่เกินห้าพันปีหลังจากห้าพันปีผ่านไปแล้วก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้อีกแล้วใครมาเกิดหลังจากสองห้าพันปีก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องรออีกหลายแสนล้านปีหลายกับด้วยกันภาษา บาลีท่านเรียกว่ากลับกันต้องใช้เวลานานมากก็เพียงแต่พูดตามภาษาปัจจุบันก็หลายแสนล้านปีหรือหลายแสนล้านคูนแสนล้านปีก็ได้กว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้อีกครั้งหนึ่งแล้วจังหวะของผู้ที่มาเกิดในยุคนั้นก็แล้วแต่ จังหวะถ้าไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็อาจจะต้องรอจังหวะนะ่าโอกาสนะ่าโอกาสของพระพุทธศาสนาองค์ต่อไปเนีย่ยดังนั้นการที่พวกเราได้มาเกิดในยุคที่มียังมีพระพุทธศาสนาอยู่นี่จึงถือว่าเป็นโชคมหาศาล เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าถูกกัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งอย่าว่าแต่ร้อยครั้งเลยถูกครั้งหนึ่งมันก็ยากแสนยากมีใครถูกกัตเตลี่รางวัลที่หนึ่งกันบ้างยากมากแล้วั้งเดียวอย่างยากแล้วร้อยครั้งมันจะยากขึ้นอีกสักเท่าไหร่การมาพบกับพระพุทธศาสนา การมาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากกว่าการถูกกัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งเลยพวกเราถือว่าเป็นพวกที่โชคมหาศาลมีโชคมีวาสนาแล้วก็รางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็มีคุณค่าราควา มากกว่ารางวัลที่เราได้รับจากรางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งรางวัลที่หนึ่งครั้งหนึ่งก็เท่าไหร่หกล้านร้อย 6, 000, ครั้งก็เพียงหกร้อยล้านแต่หกร้อยล้านนี้ไม่สามารถซื้อการออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่าว่าแต่หกร้อยล้านเลยหกแสนล้านก็ไม่สามารถที่จะ ให้ผู้ที่มีเงินหกแสนล้านนี้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่อให้เป็นมหาเลสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมีเงินไม่รู้กี่แสนล้านก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินนี้ซื้ออิสรภาพให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมี โลกุตละธรรมต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่มาเผยแผ่สั่งสอนโลกุตละธรรมและการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการได้เกิดเป็นมนุษย์แต่กลับไม่สนใจที่จะศึกษาก็เป็นการเกิดมาแบบศูนย์เปล่า เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วไม่เอาไปขึ้นรางวัลซื้อลอตเตอรี่มาแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีโชคขี้เกียจตรวจให้เสียเวลาซื้อมาแล้วแล้วก็โยนทิ้งไปนี่อ ล, ลักษณะของคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ตรวจแล้วก็ไม่เก็บเอาไว้เพราะคิดว่ามันยากที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งได้ ที่เกียจเสียเวลามานั่งตรวจก็เลยโยนทิ้งไปคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานให้กับรัฐบาลไปคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจที่จะเข้าหาพระพุทธศาสนาไม่สนใจที่จะมาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นเหมือนกับคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็โยนลอตเตอรี่ทิ้งไปขี้เกียจไปตรวจเพราะตรวจก็ไม่ถูกเลยขี้เกียจเสียเวลานี่คือคนที่มาเกิดในโลกในยุคนี้โดยเฉพาะในโลกในประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยเยอะที่เกิดมาในเมืองพุทธเนี่ย แล้วเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธแต่กลับไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าศึกษาหรือปฏิบัติก็ขอเอาแค่ระดับโลกยะไปก่อนแต่ยังไม่อยากที่จะศึกษาในระดับโลกุตตระธรธรมนี่คือ คนที่เป็นชาวพุทธหรือคนที่เกิดมาในประเทศไทยแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับไก่ได้ปล่อยไก่มีนิทานเล่าว่าไก่นี่ชอบคุยเคายหาอาหารหาตัวไส้เดือนหาตัวหนอนกิน แต่เวลาเขีย่ยไปเจอพลอยไปเจอเพชรนี่เขีย่ยทิ้งหมดเลยเพราะไก่ไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยเอาไปกินไม่ได้ไก่รู้เพียงแต่ว่ากินได้แล้วกินไม่ได้เท่านั้นอนไหนกินไม่ได้จะวิเศษขนาดไหนก็ไม่เอาคนที่มาเกิดในโลกนี้แล้วไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาเจอศาสนาพุทธแล้วก็เขีย่ยทิ้งไปเขีย่ยทิ้งไป พอไม่เห็นคุณค่าราคาของพระพุทธศาสนารู้จักคุณค่าของตัวหนอนตัวไส้เดือนคือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่นี่เองนี่แหละคือตัวหนอนตัวไส้เดือนของผู้ที่มาเกิดในโลกนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา หมือบางทีเกิดในครอบครัวของชาวพุทธเสียได้ซ้ำไปแต่กับไม่สนใจเกียทิ้งเกียรศาสนาทิ้งไปไม่ศึกษาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรให้ทำอะไรให้ปฏิบัติอะไรรู้เพียงแต่วิธีหาตัวหนอนตัวไส้เดือนคือวิธีหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหายศหาตำแหน่ง หาหลังวีหลังวันต่างๆหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชะชนิดต่างๆ น, นี่คือไก่ได้พลอยเป็นลักษณะอย่างนี้ผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ยินดีไม่สนใจเกลียยทิ้งไปยินดีกับตัวนอนตัวไส้เดือนๆๆคือราบยศสารเสริญ แลาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายแต่บางคนนี่มาไม่ได้มาเกิดในเมืองพุทธนะแต่ได้มีโอกาสได้สัมผัสคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหนังสือต่างๆหนังสือธรรมะต่างๆแม้จะอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศที่ไม่มีศาสนาพุทธนะแต่กับเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาะ พยายามศึกษาและพยายามปฏิบัติจนถึงขั้นที่อยากจะปฏิบัติขั้นโลกุตตะลธรธรมก็ต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่ประเทศไทยมาศึกษามาปฏิบัติโลกุตตะลธรรมจากพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆไปศึกษาไปปฏิบัติอยู่ตามวัดป่าวัดเขาทั้งๆที่ เกิดในประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางราบยศเสริญทางความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของมันว่ามันดีเท่าดีกว่าคุณค่าของการได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย พอเมื่อได้ได้ศึกษาและได้ได้ปฏิบัติก็จะได้สัมผัสกับผลของการปฏิบัติได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงนั่นเองพอได้ชิมรสแห่งธรรมแล้วทีนี้ก็อยากจะได้มากๆอยากจะได้ให้เต็มร้อยให้มีรสแห่งธรรมเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ อยู่ที่ประเทศเขาก็ไม่มีสถานที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะคอยสั่งคอยสอนอย่างใกล้ชิดเรียนจากหนังสือก็ไม่ละเอียดพอเรียนจากหนังสือก็พอจะรู้แนวทางแต่ก็ยังไม่ละเอียดเท่าที่ควรและไม่มีสถานที่ที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม พอได้ทราบว่าประเทศไทยมีวัดป่าวัดเขามีศรัทธาญาติโยมทานุบบำรุงไม่ต้องไปกังวลกับการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้มีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เขาก็เลยเห็นเพชรเห็นพลอยของพระพุทธศาสนาขึ้นมาถึงแม้จะอยู่ห่างไกล ข้ามต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเขาก็มากันยินดีที่จะลาออกจากงานที่มีรายได้เป็นแสนเป็นล้านไม่สนใจกับตัวหนอนตัวไส้เดือนนี่คือไก่ฉลาดไก่ที่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอย ว่ามีคุณค่าราคามากกว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนได้มาเพียงเม็ดเดียวนี้เอาไปขายนี่ซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนกินได้ทั้งชาติเลยกินไปจนวันตายก็ไม่หมดเราจึงมีชาวต่างชาติที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษามาปฏิบัติส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะมา เอาขั้นระดับโลกุตละธรรมทั้งนั้นเขาจะไปหาวัดป่าวัดเขาที่มีพระอริยสงสารวกของพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้แนะแนวทางให้กับเขาระดับโลกิญะนี้เขาปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติได้ส่วนระดับโลกุตละธรรมี้ต้องมีสถานที่พิเศษ เหมือนกับมหาวิทชียร์ไรนี้ต้องเป็นสถานที่พิเศษส่วนโลโลกิยาธรรมนี้สามารถปฏิบัติที่ไหนก็ได้โลกิติโลกิยาธรรมนี้มีอะไรบ้างก่อนที่เราจะขึ้นสู่ระดับโลกุตระธรรมได้เราก็ต้องผ่านระดับโลกิยาธรรมก่อนเหมือนก่อนที่เราจะเข้าระดับอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ไ, ได้เราก็ต้องเข้าระดับของอนุบาลของประถมของมัธยมก่อนนะระดับอนุบาลของศาสนาพุทธคืออะไรก็คือการทําบุญทำทานนี่นี่ระดับที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชาวพุทธให้เรามาทำกัน ก็คือให้เรามาทำบุญทำทานกันพอเราทำบุญทำทานได้เรามีใจที่เมตตากรุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็สามารถที่จะขึ้นสู่ระดับปฐมได้ก็คือการรักษาศีล ร, รักษาศีลห้าก่อนอถ้าทำบุญทำทานได้รักษาศีลห้าได้ ก็จะเวลาตายไปจิตก็จะขึ้นจากระดับของมนุษย์เนี่ยตอนที่เรามาเริ่มต้นกันนี้เราอยู่ในระดับมนุษย์จิตของเราอยู่ระดับมนุษย์พอเรามาทำบุญทำทานมารักษาศีลจิตของเราก็จะเลื่อนขึ้นจากระดับมนุษย์ไปสู่ระดับเทวดาถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีล จิตก็ยังจะอยู่ระดับเดิมอยู่คือระดับของมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้ทำบุญแต่ไปทำบาปจิตก็จะตกลงต่ำจะลงจากมนุษย์ลงไปสู่ระดับของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกคือระดับของอุบอุอาบายนี่เอง เนื่องถ้าไม่อยากที่จะลงต่ําถึงแม้ไม่ได้ขึ้นสูงอย่างน้อยก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ถ้าไปทําบาปบาปนี้แหละจะเป็นผู้ดึงจิตให้ไปเกิดในอบายแทนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดสูงกว่านั้นก็ไปไม่ได้ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ถ้าทําบุญเพียงอย่างเดียว แต่ไม่รักษาศีลห้าก็ต้องอยู่ที่ว่าเวลาตายไปนี่บุญกับบาปอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปก็ยังไปสวรรค์ได้แต่ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ต้องไปอบายแทนถ้าบุญกับบาปเท่ากันก็ไปเป็นมนุษย์ต่อนี่คือระดับ อนุบาลก็ระดับปฐมคือต้องทําบุญทาทานกันอย่างช่วงนี้มีการทําบุญทาทานกันอย่างมากปีหนึ่งนี้ก็จะมีช่วงนี้ที่จะทําบุญกันเยอะคือเป็นการทอดกระถินงานทอดกระถินงานบุญทอดกรถิญปกติเราจะทําบุญปกติจะไม่มาก แต่พอเป็นบุญกระถินนี่เราถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญมากเราก็เลยทากันมากธรรมดาอาจจะทำร้อยสองร้อยพันสองพันพอมาเป็นกระถินนี่ต้องพันสองพันหรือหมื่นสองหมื่นกันอันนี้ช่วงนี้เลยถือว่าเป็นช่วงของการเร่งความเพียรในเรื่องของการสร้างสวรรค์กันทำบุญนี้เป็นการสร้างสวรรค์ แต่อย่าลืมรักษาศีลด้วยกันแล้วกันถ้าทาบุญเยอะแต่ก็ไปทําบาปแล้วทําบาปมากกว่าทําบุญบุญก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะบาปจะมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปรับผลบาปก่อนแต่บุญไม่หายไปไหนบุญก็ต้องรอจังหวะที่มีมากกว่าบาปถึงจะสามารถ ดึงใจให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ได้นี่นี่ระดับขั้นที่หนึ่งที่สองระดับอนุบาลระดับปฐมคือการทาบุญทาทานการรักษาศีลห้าเนีย่ยจะเป็นการยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของเทพของสวรรค์ที่มีอยู่หกชั้นด้วยกัน จะขึ้นสูงมากสูงน้อยก็อยู่ที่บุญที่ทําว่ามา ก, กว่าน้อยนั่นเองเนี่ยถ้าบุญมากก็จะมีกำลังส่งจิตให้ขึ้นสูงมากถ้ามีบุญน้อยก็มีกำลังส่งให้ขึ้นไม่สูงขึ้นนะจึงมีจึงมีแบ่งสวรรค์ไว้เป็นหกชั้นด้วยกันมีตั้งแต่จารุมดุสิต ยามะดาวดึงนิมานปารานิมเนี่ยอะไรต่างๆมีหกชั้นด้วยกันถ้าไปศึกษาจากพระคำภีท่านจ ะ, สะแสดงไว้สวรรค์หกชั้นด้วยกันก็เพราะว่าเหมือนนักเรียนที่เรียนหนังสือทำข้อสอบได้ไม่เท่ากันโรงเรียนเขาแบ่งไว้เป็นสี่ระดับ เกตหนึ่งเกดสองเกดสามเกตสี่คนที่ทำได้เต็มร้อยก็ได้เกตสี่คนที่ทำได้ครึ่งหนึ่งก็ได้เกตสองคนที่ทำได้เสี้ยวหนึ่งก็ได้เกตหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์ชั้นต่างๆก็เกิดจากกำลังของบุญที่ทำกันไว้ว่าทำมากทำน้อย พอตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่ได้ทํเอาไว้แต่สวรรค์นี้มันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกับมนุษย์ชีวิตของมนุษย์ก็เป็นของชั่วคราวมอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไปพอตายไปไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่ในสวรรค์ก็จะเสื่อมลงมา อยู่ได้ระยะหนึ่งบุญที่ส่งไปก็หมดกำลังลงก็จะถูกความอยากในกามดึงกลับมาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ถูกกิเลสตัณหาตัวที่ดึงจิตให้ลงต่ำนี้คือกิเลสตัณหาตัวที่ส่งให้จิตขึ้นสูงคือคือบุญกุกศลการปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่พอกำลังของบุญที่ส่งจิตขึ้นไปหมดกำลังลงความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดชนิดหยาบมันก็ดึงให้จิตลงมาเกิดมามีร่างกายเพื่อที่จะได้เสบรูปเสียงกลิ่นลดแบบชนิดหยาบต่อไปนี่คือก็จะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน ระดับของสวรรค์กับระดับของมนุษย์ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญต่อมารักษาศีลต่อเวลาตายไปก็จะกลับไปเป็นเทวดามต่อแล้วพอหมดก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดในโลกในกามาพบอยู่ อันนี้คือระดับของอนุบาลกับระดับของปฐมนี่ยผู้ที่ทําทานผู้ที่รักษาศีลได้นี้ก็จะได้ไปเกิดในระดับของเทวดาแล้วเวลาหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาทําบุญใหม่มารักษาศีลใหม่ เพราะถ้าทำเป็นนิสัยแล้วมันก็จะทำต่อเหมือนเรามาเกิดแล้วเรามาใช้มือซ้ายมือขวานี่ก็เหมือนกันทำไมเราถึงใช้มือซ้ายทำไมบางคนถึงใช้มือขวาเพราะเคยใช้มือนั้นมาในชาติก่อนนั่นเองชาติก่อนเคยใช้มือขวาพอชาตินี้มาเกิดใหม่ก็มาใช้มือขวาใหม่ ชาติก่อนเคยทำบุญทำทานเคยรักษาศีลพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะชอบทำบุญทำทานชอบรักษาศีลแต่ก็อาจจะมีเหตุการณ์อาจจะมาทำให้ไม่ได้ทำก็ได้อาจจะไปเกิดในสภาพที่ยากจนแน่นแค้นก็อาจจะไม่มีเงินทำบุญก็ได้ แล้ถ้าเงินไม่พอใช้ก็อาจจะไปทำบาปแทนก็ได้ยกเว้นคนที่มีความแน่วแน่ต่อการรักษาศีลถึงแม้ว่าจะอดอยากขาดแค้นอย่างไรก็จะไม่ยอมทำบาปนยเพราะเคยฝึกมาฝังอยู่ในใจชอบทำบาปไม่ชอบชอบทำบุญไม่ชอบทำบาป ถึงแม้จะมีเหตุการณ์มาบังคับให้ทำก็จะไม่ยอมทำยอมอดอยากยอมทุกข์ยากลาบากกัดฟันสู้กับความทุกข์ยากลาบากดีกว่าไปทำบาปอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะมาพลิกนิสัยคนได้ยึคืนอยู่กับนิสัยว่าฝังลึกหรือไม่ลึกเนี่ยถ้าฝังลึกนี่ก็เรียกว่าสันดานเนี่ย ถ้าเป็นสันดานนี่มันจะแก้ยากไม่มีอะไรที่จะมาพลิกมันได้ง่ายแต่ถ้าเป็นนิสัยนี้มันยังพลิกได้ยังเปลี่ยนได้นี่คือเรื่องของระดับอนุบาลระดับปฐมก็จะทำให้ได้ทำในระดับสวรรค์ถ้าอยากจะได้ทําที่สูงกว่าระดับสวรรค์ของเทพ คืออยากจะได้ระดับของพรหม um. พรหมก็มีสองระดับรูปประพรมกับอรูปประพรมรูปประพมมก็จะอยู่ในรูปประพบอรูปประรมก็จะอยู่ในอรูปประพบเป็นพบที่มีเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ของเทวดาสวรรค์ของรูปประพรมนี้มีความสุขมากกว่าของเทวดา สวรรค์ของอรูปประพมมก็มีความสุขมากกว่าของรูปประมนะผู้ที่ต้องการที่จะไปสวรรค์ระดับรูปประพมมหรืออรูปประพมนี้ก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าขึ้นไปเป็นศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยีิบเจ็ดเพราะศีลนี้จะเป็นผู้ที่จะดึงเวลา มาให้กับการสร้างสวรรค์ชั้นผ่อมนั่นเองจะดึงเอาเวลาของการสร้างสวรรค์ชั้นเทพมาสร้างสวรรค์ชั้นผ่อมเนีผู้ที่ถือศีลห้านี้ยังเสพกามอยู่นั่นเองยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสศีลห้าไม่ห้ามให้นอนกับแฟนได้ให้ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงได้ให้ไปกินไปดื่มตามความอยากตามความต้องการได้ ไม่ว่าจะเวลาไหนให้เสริมสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวได้ให้นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆได้นี่เป็นการเสพกามแต่การเสพกามมันก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะไปสร้างสวรรค์ชั้นพรหมนั่นเองเพราะการจะสร้างสวรรค์ชั้นพรหมนี้ต้องมีเวลาไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิไปเข้าฌาน ถึงจะสามารถยกระดับจิตจากระดับของเทพขึ้นสู่ระดับของพรหมได้ดังนั้นผู้ที่ทาบุญทาทานได้รักษาศีลห้าได้แล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่านั้นก็ต้องมาหัดปฏิบัติทาระดับของพรหมคืออาจจะเริ่มต้นด้วยการไปฝึกอยู่วัดในวันพระ เพราะการที่จะไปฝึกสมาธินี้ต้องมีสถานที่สงบและต้องมีคู่สั่งสอนเพราะเราไม่เคยฝึกสมาธิกันมาก่อนจะไม่รู้วิธีฝึกสมาธิไม่รู้จักวิธีเข้าฌานว่าต้องทำอย่างไรนั่นเองเราก็ต้องไปที่ที่มีการสั่งการสอน ก็เหมือนปรับไปโรงเรียนแทนที่จะไปเรียนระดับปถมระดับอนุบาลก็ต้องไปเรียนระดับมัธยมแทนนี่คือระดับมัธยมไปเรียนวิธีเข้าสมาธิเข้าฌานการที่จะเข้าสมาธิเข้าฌานก็ต้องมีเวลาก็ต้องตัดการเสพกามลงไปก็เลยต้องเพิ่มศีลห้าขึ้นเป็นศีลแปดเพราะศีลที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็น ศีลที่มาห้ามการเสพกามนั่นเองเช่นศีลข้อที่สามของศีลห้าก็เปลี่ยนจากการร่วมหลับนอนกับแฟนมาเป็นไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟนให้นอนคนเดียวแล้วก็ไม่ให้มีหมอนข้างด้วยนอนคนเดียวแล้วยังมีหมอนข้างนี่ก็ยังเสพกามอยู่ยังมียังมีอะไรกอดอยู่ต้องไม่มีหมอนข้างนะผู้ปฏิบัติธรรม นอนคนเดียวอแต่บางทีเคยนอนกอดคน น, คนนั้นคนนี้พอไม่มีใครกอดก็นอนไม่หลับเลยต้องหาหมอนข้างมากอดแทนอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการเสพกา ร, รมแบบหนึ่งก็ได้เหตนั้นต้องนอนคนเดียวแล้วต้องไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกนหนาๆเพราะมันสุขมันสบายเกินไปต้องนอนบน บนพื้นแข็งแข็งปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อเพราะว่าถ้านอนบนพื้นแข็งเนี่ยเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากจะนอนต่อพระนอนแล้วไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาฝึกสมาธิเข้าฌานกันนั่นเองนี่คือมาตรการของพระพุทธเจ้าที่จะดึงเอาเวลาจากการเสพการมา ให้กับการฝึกสมาธิสีลข้อหกก็คือให้กินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอไม่ให้กินมากเกินไปเพราะกินมากเกินไปนี้หนึ่งจะทำให้เสียเวลาเพราะจะต้องมาคอยรอกินอยู่นั่นแล้วบางทีกินมากก็จะเกิดความขี้เกียจเกิดความง่วงนอนขึ้นมาแทนที่จะไปฝึกสมาธิก็อยากจะนอนแทน ก็เลยต้องห้ามไม่ให้กินมากเกินไปกินแค่เที่ยงวันก็พอพอกินหลังจากเที่ยงวันแล้วนี้ก็จะมีเวลาว่างไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการกินก็เอาเวลาที่ว่างไม่ที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องกินนี้ไปนั่งสมาธิได้เลยแล้วถ้ากินไม่มากก็จะไม่ง่วงนอนเวลานั่งก็ไม่ขอพับไม่สับประงก ถ้ารักกินมากๆนี่นั่งเดียวๆก็หาวขึ้นมาเดี๋ยวก็คอพับขึ้นมาหนังท้องตึงเดี๋ยวหนังตาก็หย่อนจึงต้องอย่าไปกินมากกินแค่เที่ยงวันก็พอรับประกันได้ร่างกายไม่ตายพระสงฆ์องค์เจ้ากูบาจารย์นี่ท่านฉันมือเดียวมาตั้งแต่บวชจนถึงอายุแปดสิบเก้าสิบเน ถ้าไม่ได้ตายไม่ได้เป็นโรคกระเพาะไม่ต้องกลัวคนบางคนพอจะอดข้าวเย็นมื้อเดียวกลัวเป็นโรคกระเพาะขึ้นมานะคนที่เป็นโรคกระเพาะส่วนใหญ่เป็นพวกที่กินไม่เป็นเวลามากกว่ากินจนกระทั่งกระเพาะมันทำงานไม่ไหวมันก็เลยเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาไม่ใช่จากการกินน้อยก็จะกการกินมากมากกว่าไม่ต้องกังวลไม่มีโรคกระเพาะแน่นอน นี่คือศีลข้อหกต้องเพิ่มศีลข้อหกไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็เพิ่มศีลข้อเจ็ดไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายไม่ไปดูมอาหราสศพบันเทิงต่างๆไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงไปงานสังคมต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งกาย โดยเสื้อผ้าผรอนสดสวยส ด, สยสดงดงามเสริมสวยความงามทางหน้าตาทางเผ้าผมเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปทำกิจกรรมเหล่านี้มาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิกันนั่นเองแล้วศีลข้อแปดก็คือไม่ให้นอนบนฟูกหนาะๆนะนะเตียงใหญ่ๆจะได้ไม่นอนมากเกินไป พอเราสามารถรักษาศีลแปดข้อนี้ได้เราก็จะมีเวลาว่างัางแต่หลังจากเที่ยงวันไปนี้ก็จะมีเวลามาฝึกสติมานั่งสมาธิเพื่อเข้าฌานได้ก่อนที่จะเข้าฌานเข้าสมาธิได้นี้ต้องมีสติก่อนเพราะสตินี้เป็นผู้ที่จะดึงจิตเข้าไปในสมาธิในฌานนั่นเองถ้าไม่มีสติก็เหมือนเกวียนที่ไม่มีวัวเ หรือควายคอยลากเกวียนนั่นเองเกวียนเวลาไม่มีวัวควายมันก็จอดอยู่กับที่นะมันไปไหนไม่ไหนไม่ได้ต้องมีวัวมีควายมาลากเกวียนไปจิตก็เหมือนกันจิตจะเข้าสมาธิเข้าฌานได้ต้องมีสติเป็นผู้ลากเข้าไปถ้าไม่มีสติแทนที่จะเข้าฌานมันก็จะถูกกิเลสลากไปอีกทางหนึ่ง แทนที่จะลากเข้าสู่ข้างในกิเลสมันจะลากออกไปข้างนอกลากออกไปทางตาหูจมูกริ้นกายแล้วดีไม่ดีอาจจะทําให้ต้องลาศิณแปดไปรักษาไม่ได้เพราะถ้าปล่อยให้กิเลสลากใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวมันก็อยากจะไปทําผิดศีลแปดกันนั่นเองก็เลยต้องขอลาสิกขาลากลับบ้านกันทนอยู่ไม่ไหวแล้ว สู้กิเลสไม่ได้ปัญหาที่สู้กิเลสไม่ได้ก็เพราะไม่มีสตินั่นเองไม่ฝึกสตินสติกับกิเลสนี่จะเป็นเหมือนผู้ที่จะมาดึงจิตไปคนละทิศคนละทางเหมือนชักขเขยอ้อกันสติจะดึงจิตเข้าฌานแต่กิเลสตัณหาจะดึงจิตไปหารูปเสียงกดลิ่นรสดังนั้นเวลาผู้ที่มาถือศีลแปดแล้ว ต้องมันฝึกสติเขาถึงต้องจัดเวลาให้ฝึกสติกันถ้าไปเรียนตามที่เขาสอนตามคอร์ส ต, ต่างๆนี่เขาจะบังคับเลยเวลานี้ให้เดินจงกรมให้เจริญสติเวลานี้ให้นั่งสวดมนต์เจริญสติเวลานี้ให้นั่งสมาธิเจริญสติเพื่อดึงจิตให้เข้าฌานเข้าสมาธิต่อไป ถ้าไปอยู่แบบที่ไม่มีคนสอนก็ต้องบังคับตัวเองไปอยู่วัดที่เขาไม่มีกำหนดตารางเวลามีแต่เฉพาะทาวัดเช้าวัดเย็นดังนั้นเวลาอื่นนี้ต้องคอยบังคับตัวเองต้องคอยบังคับให้จดดอนสติอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางของความของความโลภความอยากต่างๆ ถ้าคิดไปหารูปเสียงกดลดิ่นรสเดี๋ยวมันก็อยากจะเสพรูปเสียงกดลิ่นรสขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ก็เลยแทนที่จะอยู่วัดต่อก็ขออนุญาตกลับบ้านลากลับบ้านเพราะว่าอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่ากิเลสตัณหามันพยายามดึงเจตให้ไปเสพรูปเสียงกดลดิ่นรส พอมันดึงแล้วก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจนทนไม่ไหวเลยต้องลาสิกขาไปแต่ถ้ามันฝึกสติให้สติมีกำลังมากกว่ากิเลสตัณหาอาการรู้สึกอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะจางหายไปแล้วอาการอึดอัดอาการทรมานใจก็จะหายไปแล้วจะทำให้นั่งสมาธิได้ เห็นเบื้องต้นนี้ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆตามแนวทางปฏิบัตินี้ท่านสอนให้ฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้ น, นมานี่ต้องควบคุมใจต้องเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้คําบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปเลยคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดคิดเท่าที่เรื่องจําเป็นเช่จนจะต้องไปอาบน้าไปล้างหน้าแปรงฟันคิดเท่านั้นพอ พอรู้แล้วว่าต้องทําอะไรก็ไปทําช่วงที่ทําก็อย่าให้มันคิดอะไรถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธเดึงเอาไว้อาบน้ําไปก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันไปก็พุโทโธไปไม่ใช่อาบน้ําไปคิดถึงว่าเดี๋ยวจะไปดูนั่นไปฟังนี่ไปกินนูน่นไปดื่มนี่เอ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทาตามที่คิดเห็นต้องคอยห้ามความคิดที่จะไปเสพกามให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดใช้สติดึงมันไว้วิธีจะใช้สติก็ใช้คำบริกรรมพุทโธหรือใช้การเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปอยู่กับการกระทําของร่างกายร่างกายกำลังแปลงฟันก็แปลงฟันกับร่างกายร่างกายกาลัางหวีผมก็หวีผมไปกับร่างกาย อย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการควบคุมความคิดเนถ้าเราเพียรพยายามทำอย่างนี้ได้พอเราไม่มีภารกิจอะไรที่จะต้องทำมีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธิได้พอนั่งแล้วถ้าไม่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดเดี๋ยวจิตมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ สงบแล้วก็เรียกว่าเข้าฌานขั้นต่างๆได้ฌานก็มีสองระดับรูปฌปานเป็นขั้นหยาบอารูปฌปานเป็นขั้นละเอียดเบื้องต้นก็ต้องเข้าสู่ขั้นหยาบก่อนมีสี่ระดับด้วยการรูปฌปานหนึ่งสอ ง, ส, องสามสี่พอได้รูปฌปานสี่ถ้าอยากจะเข้าต่อไปสู่ฌานที่ละเอียดกว่าก็สามารถเข้าสู่อรูปฌปานได้อีกสี่ระดับ รูปฌานมีสี่ระดับอรูปฌานก็มีสี่ระดับอพอได้เข้าสู่รูปฌานขั้นต่างๆก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นพรหมโลกนี้รู้สึกมีถึงสิบหกชั้นมีมากกว่าชั้นของเทวดาขึ้นอยู่กับกำลังของฌานแต่ละั้นว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่ ผู้ที่ได้ฌานชั้นนั้นชั้นนี้ก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นนั้นชั้นนี้ไปแต่ฌานก็เป็นของที่เสื่อมได้เหมือนบุญบุญของเทวดาเสืออเส่อมได้ฌานของพรหมก็เสื่อมได้ได้ฌานมาเวลาร่างกายตายไปฌานก็จะพาจิตให้เข้าสู่พรหมโลกแต่พอฌานเสื่อมลง จิตก็จะเลื่อนลงจากพรหมโลกมาสู่เทวโลกแล้วจากเทวโลกก็จะเลื่อนลงมาสู่มนุสยโลกต่อไปกลับมาเกิดใหม่ น, นี้คือโลกิยธรรมมีสามระดับด้วยกันระดับมนุษย์ระดับเทวดาระดับพรหมโลกแบ่งเป็นระดับ อนุบาลระดับปถมระดับมัธยมถ้าอนุบาลทำบุญทำทานถ้าทำบุญทำทานมากกว่าทำบาปก็ได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบุญทำทานเท่ากับทำบาปก็ได้เป็นมนุษย์ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ต้องไปเกิดในอบายแทนแทนที่จะขึ้นสูงก็ลงต่ำนี่คือกามมาพบของผู้ที่เสพกรรม ถ้าอยากจะขึ้นสู่รูปภพก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปสู่ศีลแปดแล้วก็ต้องไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิไปฝึกสติบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือคอยเฝ้าการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิเลียบททุกการเคลื่อนไหวจิตก็จะมีสติที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ นี่คือระดับของโลกิยธรรมที่มีการปฏิบัติอยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะเป็นการปฏิบัติที่ง่ายที่ค้นคว้ากันได้ง่ายคนสามารถศึกษาและค้นคว้าวิธีปฏิบัติโลกิยธรรมได้ ศาสนาต่างๆก็สอนระดับโลกียธรรมศาสนาต่างๆสอนให้ทำบุญทาทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ฝึกสมาธิด้วยวิธีการต่างๆบางศาสนาก็สอนให้ร้องเพลงก็เหมือนกับสวดมนต์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอนีก็เป็นการสวดมนต์เอศาสนาพุทธก็สอนให้สวดมนต์สวดมนต์ก็จะทำให้ได้สมาธินะ ถ้าถ้าทำบุญทำทานรักษาศีลก็จะได้สวรรค์ชั้นชัน้นเทพถ้าสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ฝึกสมาธิเข้าฌานได้ก็จะได้สวรรค์ชั้นรูปประผมหรืออรูปประภมแต่ยังติดอยู่ในไตพบอยู่เพราะว่ายังจะต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในไตภพนี้ต้องรอให้เจอกับเจอผู้รู้โล ก, กุตละธรรมคือต้องเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกหรือเจอพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนระดับโล ก, กุตละธรรมให้แก่ผู้ที่ มีความปรารถนาที่อยากจะออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนโลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คืออริยสัจสีนี่เองแล้วก็ไตรักเนี่นี่คือการปฏิบัติโลกุตรธรรมผู้ที่อยากจะได้โลกุตรธรรมต้องเข้าใจว่าอาริยสัจสีนี้มีอะไรบ้างและอยู่ที่ไหนเนี่ยใจักนี้เป็นอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย ถ้าเห็นใจรักษณเห็นอริยสัจสีอย่างชัดเจนก็จะสามารถที่จะทําลายกิเลสตัณหาตัวที่คอยดึงจิตให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมได้นี้ต้องอยู่ในระดับของของพรมก่อนอยู่ในระดับขั้นสูงสุดของโลกิยธรรมก่อนเหมือนกับการ จะเข้ามาหาวิทยาลัยได้นี้ต้องจบมหกก่อนถึงจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้ถ้ายังอยู่จบแค่ชั้นปหกนี้จะไปขอเข้ามาหาวิทยาลัยนี้เข้าไม่ได้ความรู้ไม่พอคนที่ทำบุญทำรรทานรักษาศีหน้าแล้วอยากจะไปโลกุตตระธรรมนี้ยังไปไม่ได้อยากจะเข้าสู่โลกุตตระธรรมต้องเรียนระดับมัธยมของโลกิยธรรมก่อน คือต้องหัดถือศีลแปดถือศีลสิบศีลสองรอยีิบเจ็ดแล้วก็หัดเจริญสตินั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้ก่อนถึงจะสามารถที่จะไปเรียนระดับโลกุตละทมได้เพราะถ้าไม่มีความรู้ระดับสมาธิความสามารถในระดับสมาธินี้จะไม่สามารถที่จะไปศึกษาอานิยาริยสัจสีและตายรักได้ และไม่สามารถนําอริยสัจ ส, สี่และตายรักนี้มาทําลายกิเลสตัณหาตัวที่คอยดึงให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้นะนั้นไม่ไม่มีการข้ามขั้นตอนบางคนคิดว่าถือศีลห้าก็พอทําบุญแค่นี้ก็พอแล้วก็ไปนั่งสมาธินั่นก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันจะนั่งไม่ได้นานนั่งได้เดี๋ยวเดียวก็เลิกแล้ว ยังไม่พอสมาธินี้ต้องสมาธิสงบตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนถึงจะเรียกว่ามีสมาธิที่จะมีกำลังที่จะไปศึกษาโลกุตละธรรมได้ที่จะไปปฏิบัติทาในโลกุตละธรรมได้คือเอาไตาลักษอาวาัยวสัตว์สีมาค่ากิเลสตัณหาได้ทอมีพอได้สมาธิได้ฌานแล้วสามารถ ทำให้ใจสงบได้ตลอดเวลาแล้วเวลานั้นก็ไปศึกษาไตารลักได้พิจารณาว่าอะไรคือไตรักษณ์ไตรลักคืออา น, นิจจังทุกขังอนัตตามีอะไรบ้างอา น, นิจจังเป็นยังไงอา น, นิจจังก็บอกว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ถาวร ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการเกิดการดับมีการขึ้นการลงเห็นไหเกิดเป็นเทพเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพรหมก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทพแต่มาเป็นมนุษย์เนี่ยตรงนี้เป็นตายรักทั้งนั้นถ้าไปยินดีกับตายรักก็เท่ากับยินดีติดอยู่ในภพของการเวียนว่ายตายเกิด ต, controll. ต้องไม่ยินดีกับตายรับ <học> ต้องไม่ยินดีกับความสุขของเทพไม่ยินดีกับความสุขของของพรหมปล่อยวางหมดละความสุขให้หมดความสุขของตายพบนี้เหยื่อไปเสพเพราะเป็นความสุขของตายพบนี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดพอไปเสพเหยื่อที่พอไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวให้ติดอยู่ในให้ขึ้นไป ข้าให้ขึ้นไปอยู่ในหม้อกแกงอย่างใดถ้าติดความสุขของตายพบก็จะต้องเจอความทุกข์เพราะว่าความสุขของตายพบนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองเมื่อเวลามันไม่เที่ยงมันก็ทำให้ทุกข์ทุกข์แล้วก็ทำให้เกิดอยากได้ความสุขอีกก็ต้องกลับมาเกิดอีกนี้คือการเวียนว่ายตายเกิด จะกลับมาอยู่เรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังไม่เห็นใจรักแต่เราเห็นใ่รักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสพให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์ว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป พอหมดไปก็เกิดความทุกข์เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็จะทําให้เรากลับมาเสพใหม่พอตายจากมนุษย์ก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสใหม่นีอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตายลักษณให้เห็นว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากกิเลสตัณหานี่เองเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่มาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดกิเลสตัณหาไม่ทําตามกิเลสตัณหาจะไม่ทําได้ไม่ทําตามได้ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เห็นสิ่งที่เราอยากเสพว่ามันเป็นไตรลักษณ์เราก็จะไม่ไปเสพเหมือนกับปลาที่เห็นตะขอเบ็ดที่เกี่ยวติดอยู่กับเหยื่อนี่เอง ถ้าปลาตัวไหนฉลาดเห็นว่าให้มีตะขอเบ็ดเกี่ยวอยู่ไม่กินดีกว่าพอไม่ไปกินเหยื่อมันก็ไม่ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากคนที่เห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของตายภพของความสุขของตายภก็จะไม่ไปเสพความสุขของตายภพก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ก็จะบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆตามลํ า, า, าลดับตั้งแต่ขั้นโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและอนาคามีนี้เป็นการละความอยากทั้งนั้นโสดาบันก็ละความอยากที่จะใช้ขันห้าเป็นเครื่องมือการหาความสุขนอสกิดาคามีอนาคามีก็ละความอยากที่จะใช้ร่างกายมาเสพกามมาร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ ส่วนข้านาลหันก็ละความอยากที่จะเสพความสุขของฌานต่างๆนี้เองพอละความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ก็จะไม่มีอะไรดึงให้กลับมาเกิดในไตพบอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือถ้าโชคร้ายไปทำบาปก็อาจจะต้องไปใช้บาปในอบาย ก็ไม่จะไม่มีอีกต่อไปถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมทั้งสองระดับคือโลกิยธร ร, รมและโลกุตตรธรรมต้องเริ่มที่โลกิโลกิยธรรมก่อนทาบุญทำทานรักษาศีลห้าไปก่อนพอทำได้แล้วก็ขยับขึ้นสู่ระดับมัธยมต่อไปโดยการรักษาศีลแปด้วยการฝึกสมาธิเข้าฌานขั้นต่าง พอเข้าสมาธิเข้าฌานได้แล้วทีนี้ก็ไปเรียนขั้นโลกุตระทำได้ไปเรียนอริยสัจ ส, สีไปเรียนไตลักษณ์ได้พอเรียนได้ก็สามารถเอาอริยสัจ ส, สีไตลักษณ์นี้มาหยุดความอยากต่างๆทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็ไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไป เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจของพระอาหารหันต์และของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้เองเรียกว่าพระนิพพานเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งเพราะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมสองระดับของพระพุทธศาสนาที่นำมาฝากท่านในวันนี้ขอให้ท่านได้นำมาไปพิจารณาและปฏิบัต เพื่อเกิดประโยชน์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาขะลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติยิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติาราโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุ สัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตารายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานศีริสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ขอถามได้ในช่วงเดียวนะหลังจากเลิกแล้วก็จะไม่มีการถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้บูติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะทางเฟซบุกสี่รอยยี่สิบเจ็ด y o u t u สามร้อยสามสิบเก้าวิทิออนไลน์สิบเก้ารับฟังบนเขาเจ็ดสิบสองรวมทั้งหมดแปดร้อยห้าสิบเจ็ดท่านค่ะ อ, อันนี้สัญญาณดีนะหรือไม่หลุดนะคนไะไรติดตามได้มากรับ อ, รอยากจะถามหรือเปล่าฮ่าสองมาทางนี้ ไม่มีเหรอมไมไม่มีก็ไม่ต้องอไม่มีไม่ต้องอนนี้เสียงดังหน่อยนะต้องพูดดังๆคำถามต่อไปจากคุณพิศค่ะาากรณกีเราดูเล่นโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งที่บันเทิงใน YouTube จะเป็นการผิดศีลในศีลแปหรือเปล่าครับถ้าถือศีลแปก็ผิดศีลเพราะไม่ต้องการให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นลน้น ผ่านทางมือถือถ้าดูเป็นธรรมะอย่างนี้ดูได้ฟังธรรมได้แต่ถ้าดูบันเทิงดูละครดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดูดูสินค้าต่างๆอันนี้มันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ควรเสษคำถามต่อไปจากคุณพิทักค่ะฟังเทศของหลวงตาท่านได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาศี กระผมเลามีความสงสัยครับว่าการเรียนรู้การปฏิบัติได้เร็วได้ช้าตามในปฏิปทาสีน่นี้เป็นไปตามอํานาจบุญวาสนาของคนแต่ละคนหรือสามารถเกิดขึ้นจากการฝึกฝนตนเองครับมันเกิดจากคนแต่ละคนมีกิเลสหนานะบางไม่เท่ากันมีความฉลาดความโง่ไม่เท่ากันมันเลยทําให้ปฏิบัติง่ายปฏิบัติยากถ้ากกิเลสหนานะก็ปฏิบัติยาก ถ้ากิเลสบางก็ปฏิบัติง่ายเพราะมันจะไม่คอยมาขวางทางกิเลสมันจะขวางการปฏิบัติส่วนความฉลาดก็จะทำให้เรารู้เร็วหรือ ร, รู้ช้าถ้าฉลาดมากก็จะรู้เร็วฉลาดน้อยก็จะรู้ช้า mm hmm. แต่ของพวกนี้เราสามารถมาแก้ได้ถ้ากิเลสหนาะเราก็พยายามมาขัดเก่ามันได้ mm hmm. ถ้าฉลาดน้อยก็พยันศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้น ถ้ามันถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะบางคนที่เขาไม่ได้คิดจะรักษาสินหรือไม่รู้เรื่องไม่สนใจที่จะรักษาศินแต่เขาก็ไม่ได้ละเมิดสินข้อใดเหมือนเขานั่งเฉยเฉยเขาจะได้บุญจากการรักษาสินด้วยหรือเปล่าเจ้าคะได้คือเขาไม่ต้องไปรับผลบาปถ้าเขารักษาศินได้เขาก็ไม่ทําบาปเมื่อไม่ทําบาปผลบาปก็ไม่เกิดกับเขา ถาที่สองค่ะเทวดานางฟ้ายังเสพกามอยู่แล้วไม่เป็นการทําอกุศลหรือเจ้าคะ ม, มันมันมันเป็นการเสพกามของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่จไม่เป็นอกุศลเพราะว่าจะว่าเป็นอกุศลก็ได้แต่ไม่เป็นบาปอากุศลก็คือโลภโกรธหลงนี่ก็เป็นอกุศลแต่ถ้าไม่ไปเสพกามด้วยการทําบาปก็ยังก็เป็นอกุศลเพียงทางใจ แต่อากุศลทางกายทางวาจาไม่มีคำถามที่สค่ะนั่งสมาธิมาหลายครั้งแล้วแต่รู้สึกว่าการนั่งสมาธิไม่ค่อยก้าวหน้ามากเท่าไหร่บางครั้งนั่งไปได้คู่เดียวหรือสมาธิเพียงเล็กน้อยก็ออกจากสมาธิเจ้าค่ะช่วยบอกแนวทางการแก้ไขก็สติมีกําลังน้อยไงก็เลยนั่งได้ไม่ไนานไม่สงบไม่ได้นาน กำลังก็เหมือนกับกำลังของคนวิ่งเนี่ยคนวิ่งถ้ามีกำลังน้อยก็วิ่งได้ไม่ไม่ไกลคนที่มีกำลังมากก็จะวิ่งได้ไกลคนที่มีกำลังน้อยก็สามารถเพิ่มกำลังได้ได้วยหัดวิ่งให้มากๆพอหัดวิ่งมากๆต่อไปก็วิ่งได้ไกลขึ้นไปเรื่อยๆสติก็แบบเดียวกันมีสติน้อยก็สามารถเพิ่มทำให้มันมากขึ้นได้ฝึกสติให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้น แล้วต่อไปสติก็จะมีกำลังมากขึ้นก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ง่ายขึ้นและได้นานขึ้นคำถามต่อไปจากคู่ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการวางใจเป็นกลางในทางปฏิบัตินั้นจะเข้าถึงความเป็นกลางนั้นได้อย่างไรหรือความสงบหรือไม่ครับก็ต้องเข้าสมาธิไงต้อเข้าไปสู่ระดับฌานสี่พอระดับฌานสีใจก็จะเป็นกลางขึ้นมา จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะศักแต่ว่ารู้เฉยๆใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยใครใครข่มขูก็เฉยไม่กลัวใครเอาเปืนมาจ่อหน้าก็เฉยไม่กลัวใครเอาอะไรมาลอกก็ไม่หลงเฉยหมดไม่ยินดีนลายกับอะไรทั้งหมด ถาต่อไปจากคุณฟอค่ะพยายามหัดนั่งสมาธิอยู่เจ้าค่ะแต่ก็นั่งได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็เลยหาวิธีเปิดธรรมะของพระอาจารย์ฟังแล้วก็นั่งได้นานขึ้นเจ้าค่ะตอนแรกก็ยังมีความคิดอยู่บ้างพอนั่งไปสักพักรู้สึกว่างเปล่าเจ้าค่ะเหลือแต่เสียงธรรมะที่เทปอยู่แบบนี้ใช้ได้ไหมเจ้าคะก็ใช้ได้ช่วยให้เรานั่งสมาธิได้แต่จะไม่สงบ มากเท่ากับการที่เราดูลมหายใจดังนั้นพอเราฟังเทศเสร็จแล้วเราควรจะนั่งต่อเพราะตอนนั้นใจเรามีสติพอที่จะดูลมหายใจได้ถ้าดูลมหายใจต่อไปเดี๋ยวจิตก็จะสงบลึกเข้าไปคำถามต่อไปจากคุณคันยาเซลล์ในร่างกายของเราเช่นเซลล์มะเร็งเขามีชีวิตแต่มีความคิดความรู้สึกและจิตใจหรือเปล่าเจ้าคะไม่มีเขาไม่มีดวงวิญญาณ เขาไม่มีตาหูจมูกริ้นกายดวงวิญญาณนี้จะไปเกาะสิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่ไม่มีตาหูจมูกริ้นกายดวงวิญญาณจะไม่ไปเกาะเพราะดวงวิญญาณต้องการตาหูจมูกริ้นกายไว้เสพรูปเสียงกลิ่นรสตะั้นเองคำถามจากอินบ็อกจากคุณสุนทรีค่ะ ตอนนี้อยู่ต่างประเทศพ่อเสียชีวิตแต่ไม่ได้กลับไปงานศพลูกจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอ ก, กเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปแสดงความคลรวะหรือแสดงอะไรเท่านั้นเอง<ม>แต่เราสามารถแสดงความเคารพด้วยการส่งเงินไปช่วยงานศพก็ได้<ม>ทำอะไรอย่างอื่นแทนก็ได้ทำบุญให้พ่อให้แม่อุทิศให้บุญพ่อให้แม่ไปก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องไปทาที่หน้าโรงหรอก ทำที่ไหนก็ได้เหมือนกันกราบก็กราบที่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปกราบที่หน้าโรงศพคำถามจากอินบ็อกจากคุณกริชอยากถามพระอาจารย์ว่าการที่เราทำบุญแล้วเราอุทิศยกบุญให้คนอื่นบุญเราจะหมดไหมครับไม่หมดหรอกเพราะเราอุทิศได้บางส่วนเท่านั้นเองส่วนใหญ่เป็นของเราเราอุทิศไม่ได้คาถามจากคู่ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ เราจะทราบไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าควรจะบวชผมดูแลพ่อแม่ได้สมบูรณ์หมดแล้วจนท่านเสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้ทํางานดูแลตัวเองอย่างเดียวไม่มีครอบครัวถึงเวลามันรู้เองอะ่ะก็เมื่อเวลาที่บวชนั่นแหละมันก็รู้ว่าถึงเวลาแนละ้วถ้ามันยังไม่บวชมันก็รู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลานะก็ดูเสียบวชหรือ ย, ยังอะถ้ายังไม่บวชก็ยังไม่ถึงเวลานะถ้าบวชก็จะแสดงว่าถึงเวลาแนละ้ว คำถามต่อไปจากคุณกุหลาบค่ะทำไมความฝันบางอย่างที่เราฝนันมันมักจะเกิดขึ้นและเป็นจริงเจ้าคะไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายอันนี้เกี่ยวกับที่เราเดินมาทางธรรมะไม่เจ้าคะก็มันเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของจิตใจของคนบางคนบางค น, นมีตาทิพเห็นอนาคตได้เห็นอนดีตได้เวลาฝันก็เหมือนกับว่าเห็น เห็นหน้หนก็แถ็นหน้าดีแล้วมันก็ต้องกับตามที่เขาเห็นค้ามาถามจากคุณนิยาค่ะทําไมวิญญาณถึงเข้าไปสิงในตุ๊กตาได้เจ้าคะในเมื่อตุกตาเป็นวัตถุเจ้าค่ะไหนไม่ได้ยินว่าหมายด้วยทำไมวิญญาณถึงเข้าไปสิงในตุ๊กตาได้เจ้าคะไม่ได้หล้วตุกตาร้อนแล้วนะโอเคฝนตกมืดังมากก้าวแค่นี้ก่อนนะ